ขอนับน้อมต่อพระละไกลต่อให้กามระลอกย่างเพื่อนศัสตร์ภิกทุกรูปเจริญอรยังเึ้ น, มนแม่จีแล้ ว, ล ว, ลวกนวท้ท่านชาเนิ่งชาวันจันทรที่ส6บหเป็นพันวาคมพฤศจิกายสองัห้ายห้าสิบหก ก็กลางเดือนสุดท้ายแล้วันที่16หรือเวลาอีก15วันสุดท้ายปีเก่าจะรับปีใหม่กันวันนี้ก็เป็นขึ้น14ขําเป็นวันโคลนดวันโคนพวกนี้วันพระวันโคนโบราณบอกให้ละวันพระอีเวนวันโคนให้ละวันพระห้เว้นมันก็มีความหมาย มันจะลัได้บรเวนได้ก็ต้องมีปัญญาเห็นว่าควรอย่างไรไม่ควรอย่างไรอย่างเช่นชานี้ฝนตกก็เดินออกมาปั่นไฟควรไหมวันนี้ปั่นไปไฟดับอาจดไหมตอนที่สารคลึ่นเดินมีแสงเทียนพอสตารไฟสำรองจะใช้ไฟ หลอดฟัลลเนลนซ์หอดมิอนอนตรงนี้ก็สัมองเอาไว้เหมือนกับชีวิตของเราที่มาเป็นบัตธรรมนั้นสัมลองเอาไว้พลังงานตรงนีน้เป็นพลังงานของสติสมาธิปัญญาเป็นพลังงานของชีวิตทําให้เกิดคุณธรรมต่างๆมากมายเหลือเกินเราก็จึงมา แบ่งเวลาเซลยวหนึ่งของชีวิตมาศึกษากายศึกษาใจจะตั้งเห็นเหมือ น, นที่เราสวดมาสักรู้วนะเป็นบทพิเศษร่างกายของเรามีสังขารกายะสังขารสังขารคือการปรุงแต่งนะำาตน้ำธาตไฟทาดดิน่านลมถ้าประชุมไม่พอดีก็คือป่วย เราจะนั่งจะเดินจะยืนจะนอนยังไงให้เกิดความพอ ด, ดีสมดุลจะกินจะขับถ่ายเจ้าเข้าเอาออกทำให้เกิดความสมดุลอะไรเป็นควรเอาเข้าอะไรควรเอาออกสมดุลหายใจเอาออกซิเจนเข้าหายใจออกเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปไม่ใจหายใจเข้าเอาคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปมีโปรตินเข้าไปเอาสารละเหยเข้าไป เจะเป็นยังไงล่ะชีวิตร่างกายของเราเนะี้น้ำมันดีเซลเอาเบนซินเติ ม, ตมไปเป็นยังไงน้ำมันเบนซินเอาดีเซลเติมเข้าไปเป็นยังไงเครื่องขังฉันใดก็ดีชิตของเราก็เป็นแบบนี้แหละภายนอกภายในภายใ น, ภา ย, ในภายนอกอันเดียวกันมีกายใช้กายมีจิตใจใช้จิตใจมีคาพูดใช้คาพูดมัาก็จะเกิดประโยชน์ถ้าเราใช้เขา ถ้าเราไม่รู้จักไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไม่รู้สึกตัวนะวมัก็จะเป็นนายเรานี่จะพาและหลงไปเป็นความเสื่อมความคิดห a l i a ะต่างๆมากมายหรือบางทีเราไม่ได้ทำแต่ว่าเหตุปัจจัยมันพาทาก็มีเหมือนกันเช่นตอนนี้ฝนตกเราก็ไม่จะเป็นผู้ที่ฉีดน้ำนเป็นบนลังคาใช่ไหละ่ะ เก็ปัจจัยผมไม่ต้องตกลงมาองนี้เราก็เลือกได้อะไรควรเก็บควรเก็บอะไรควรตากก็ากอะไรควรแช่ก็แช่มันก็เลือกได้แต่เราต้องมีสติมีปัญญาเกี่ยวข้องกับธรรมชาติภายนอกก็เกี่ยวข้รรองภายในก็เกี่ยวข้องด้ยวเดยวเพราความคิดเรารู้ไม่ทันมันมันก็พาให้คิดแล้วโกรธคิดแล้วโลดคิดแล้วหลงคิดแ ล, ล้วรักคิดแล้วชังเรามีความคิดแต่ว่าความคิดมันใช้ใเรา ใช้ให้กินไม่ได้ใช้ให้นอนไม่หลับเนี่ยกลางคืนนอนหลับไหมล่ะหลับเนาะ <c oughs> คืนแรกหลากให้คนใช้ชีวิตไปไม่เป็นนอนไม่หลับไหมมั น, นไม่ได้มีศิลปะในการนอนหลับจะนอนหลับเป็นก็เรียกว่าจำวัดจะนอนหลับไม่เป็นมันก็กลางคืนมันก็ฝันกลางวันก็คิดกลางคืนมันก็คิดกลางวันก็คิดทั้งคืนทั้งร่องเราจะอยู่ยังไง จิตใจไม่ได้พั ก, ก็เหนื่อยอะด้อแล้ก็หมดพลังอะเด้อย่าง น, น, นอนทั้งคืนแต่นอนไม่อิ่มนอนทั้งคืนจะเพลียนอนทั้งคืนจะตื่นมานี่ยมันขยันเลยยังขี้เกียจเหมือนเดิมเลยตื่นเช้ามายังหาวอดวอดวอ ด, วอดอนน่นี่แหละจะต้องมาฝึกมาหัดมันให้มันจำให้มันตื่นตัวปกติใคยตื่นกน่อกตกใจมีข่าวครับตื่นตูม ตื่นบนกิเลสเช้าๆแสดงเงินได้ทองได้เที่ยวแล้วก็ตื่นตัวดีแต่พอธรรมะเกิดบนกระหาวแล้วหาวอีกมันไม่ตื่นทุกมันมีตื่นทุกอีกตัวหนึ่งกายมันก็ทุกจะนั่งจะเดินจะยืนจะนอนแก่ทุกมันตลอดที่เรวลาจิตใจมันก็ทุกนะละเอียดล่อนไอ้นันไอ้นีน่ยไอ้นวลมากมายเหลือเกินจิตใจของเรา เพราะนั้นเรามาศึกษาธรรมะกันตอนนี้นะศึกษาธรรมะคือธรรมชาตินั่นแหละแต่ว่ามาเปิดประเด็นตรงนี้ว่ากาย ใ, ใจของเราสักตัวชีวิตจริงๆความคิดทิมทําให้เราทุกข์แต่เรารู้ไม่ทันตนุนประเด็นอยู่ตรงนี้ก็คือให้รู้ทันความคิดเห็นความคิดแต่กระทั่งมันดูอารมณ์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาเกิดมาแล้วก็ผ่านไปเกิดมาแล้วก็ผ่านไป ชีวิตขณะเดียวขณะเดียววินาทีนี้วินาทีนี้มันเป็นชีวิตจริงจงเป็นปัจจุบันขณะมันเคยไปอดีตมันเคยไปอนาคตตัดกลับมาปัจจุบันขณะมาฝึกตัวนี้ก่อนให้เห็นกายตามความเป็นจริงให้เห็นจิตใจที่เวลามันมีอาการก็มันตามความเป็นจริงเห็นของจริงเรียกว่าสัจธรรมปฏิบัตรธริธรรมธรรมะนี่เห็นของจริงก็คือเห็น ปัจจุบันขณะที่มันกําลังมีอาการปรากฏเป็นของจริงตาดูกระดูเห็นจริงๆเป็นวัตถุรูปธรรมสัมผัสจริงๆไม่ใช่คิดเอาคิดรู้ไม่ใช่แต่ว่ามันสัมผัสแล้วมันรู้สัมผัสแล้วรู้ยังไงมันไม่มีภาษาในสมองไม่มีภาษาคนไม่มีภาษามนุษย์เพราะาภาษามนุษย์เมันทําให้เกิดเหตุผลต่างๆมากมายเกวดสมมติปัญญัติต่างๆมากมาย นนี้เราไม่เคยเห็นเราเคยหลงสมมุติหลงไม่ได้สมมุติต่างๆสวยไม่สวยงามไม่งามดีไม่ดีสุขไม่สุขชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจบางทีก็พอใจบางทีก็ไม่พอใจบางทีก็ฟังเป็นข่าวรายบาง ท, งทีก็ฟังเป็นข่าวดีเรื่องเดิมเวลาเปลี่ยนไปความคิดกัเปลี่ยนไปใครมาเห็นกันใช่ความคิดที่มันหลอกลวง ตัวหลงตัวไม่รู้ก็ไม่รู้สึกตัวเราไม่เคยฝึกแันกายเคลื่อนไหวใจรู้เราไม่เคยฝึกแัดเคลิตสี่จังหวะเดินจงกรมดูลมหายใจท่องฟองยุบหนูไม่เคยฝึกแขนหรืว่าฝึกมาน้อยก็ไม่พอใช้มีสติตามสัญญาณยานหรือวัตถุแบบโลกโลกพอฝึกสติฐานก็ฝึกน้อยๆอาบน้ำวันละสองครั้งฝึกสติวันละสองครั้งไม่เคยหนึ่งครั้งก็ไม่เคยหรือว่าบางคนก็เคยแต่ว่า ไม่สม่ำเสมอไม่เสมอต้นไม่เสมอปลายรับประทานอาหารเวลา3 ม, มือ้อจุกจิกอีกหลายครั้งแต่ว่าเราจะปฏิบัติธรรมในรูปแบบสักวันละหนึ่งครั้งแล้วก็เก็บตกด้วยเวลานั่งเดินเย็นนอนผู้เหยียดเคลื่อนไหวกินขับไ่ายเจริญสติถึงสติมันน้อยแต่เราฝึกได้แล้วไม่ต้องมาวัดมาวากัน เพราะนั้นการมาวัดป่าสุขโตนะมาฝึกกายเคลื่อนไหวอะไรแบบใจคิดนัประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละเราก็สรุปเพิ่มรันรันสั้ น, น, นๆเข้าไว้ออเรียนบทเนี้ยถ้าเป็นกรรมฐานปฏิบัติการใช่กรรมฐานวิชาการแต่ว่าการเทศ เ, เป็นธรรมเนียมปฏิบัติใครจะมาใครจะไปก็ไมเกี่ย ว, วก็เกี่ยวว่าทวก็สวดมนต์หลังจากนั้นก็ฟังเทศฟังธรรมกันเทศสับบ้างเปิดเทศบ้าง มันเป็นลน่านาของสารนพิธีเป็นกิจกรรมกิจวัตรเป็นวัดปฏิบัติเราพอมารับรู้ข้อมูลกันในเชิงทฤษฎีได้ยินได้ฟังนะวะ่่เคยได้ยินก็ได้ยินที่เคยได้ยินยังไม่แจ่มแจ้งนะเออชัดเจนขึ้นมหยิง่งเราปฏิบัติกับสิ่งที่ทูลกันเดียวกันได้ยินแล้วได้ยินอีกมันก็ตอกย้าซ้าเติมยิ่งมันก็ชัดเจนแล้วก็แม่นยาขึ้น มันเป็นออขอบขอบเข่งมันขับรถก็มีเส้นทางนะอขอบขอบเข่อย่าล้าเส้นเดี๋ยวจะตกถนนเย่๋ยวล้าเส้นเดี๋ยวจะรถสวนชนเอาฟังเทศฟังทรามันเป็นแผนที่แบบเป็นร่องเป็นรอยทำให้เํามืกว่าได้น้อมเข้ามาใส่ตัวเทียบเทียงเราเดินทางถึงไหนอย่างไรเช่นผู้ปฏิบัติใหม่ๆ ม, มาวันแรกเลยแน่นอนที่สุด ความคิดเก่าๆความทุกข์เก่าๆย่อมตามมาแน่นอนมิสัยเก่าๆมิสัยเก่าๆตามมาแน่นอนเช่นตอนนี้ยังไม่ได้ตื่นมอนก็ต้องวงุตามมาอันนี้เราต้องฝึกต้องหัดเอาจะมา น, นั่งหาวัดวัดจะนั่งสะตงหงสะงเอญก็เป็นบาปนะเด้เป็นอาโกศนะเด้ได้รู้จักไหมอศโกศเวลงวงงวงางงงว่างกำลังฟังธรรมจนทังมีเรื่องเล่าว่านะ พระพูดรรมาเนี่ยไปสวรรค์ชั้นต่ำๆคนขับรถทัวร์นี่ไปสวรรค์ชั้นสูงๆพระนั่งพูดเนี่ยปรากฏว่าไม่ได้บุญเยอะแยะหรอกเพราะว่ายมเนี่ยไม่ได้เกิดจิตใจตื่นรู้ขึ้นมาพระอุทธรกับยมบาลแบอบกว่าทำไมถึงส่งไปสวรรค์ชั้นต่ำๆ โยมประบาลก็บอกว่าท่านก็ลองดูตัวเองสิเวลานั่งพูดนั่งเทศให้คนฟังน่ยนั่งหลับกันทั้งจล า, าเลยจิตใจเป็นอกุศล น, นั่งเทศยังไงดูคนขับรถทัวรนะ์นะมันขับรถกันเหยียบร้อยนะคนเปิดกันทั้งรถเลยแถมสวดมนกันทั้งคันรถเลยนั่นมอเตอรซค์เพระว่าโตหลงตังโตจัมมาสัมมอเตอร์เห็นไหก็จะเล่ายาวหยอกพระกัน นั่งพูดนั่งคุยนั่งเทศจนยอมนั่งหลับเหมือนสีซอยให้ปล่อยวางโบราณดันไหวแต่เราต้องตื่นนะตื่นยาวนิสัยเก่าๆมาเคืนวานยังนอนหลับอยู่แต่ว่าวันนี้มันก็ยังหลับอยู่นะมาวัดแล้วคนละที่คนละทางนะตื่นได้แล้วปลุกตัวเองขยำว่าเลื่อนหูเลืนตาหายใจรลึกๆเจ้า อ, อย่างนี้นะก็เรียกว่ามาฝึกมาหัดกันจะต้องเจอแน่นอนทุกคนนะ ไม่ว่าเก่าไม่ว่าใหม่ที่มาคือนี่วรธรรมความม่มวงเหงาหาวนอ น, นเป็นธรรมแต่เป็นฝ่ายอกุศลเป็นธรมนรมะอกุศลปะกินอากาอกุศลเศรษิษภาษาธรรมะเขเรียกนะแต่พวกเราไม่ต้องไปใช้ภาษาที่เป็นบาลีฟังยากๆเราใช้คําว่าด่านกันก้นจิตที่ไม่ให้เรามีความสําเร็จบรรลุถึงบุญงามความดีคือความม่วงนี้ขับรถลราลองม่วงดูอะไรจะเกิดขึ้นถึงจุดหมายปลายทางไหม ลองอ่านหนังสือลองม่วงดูมันจากหนังสือรู้เรื่องไหมแล้วปฏิบัติธรรมรอม่วงดูมันจะตั้งใจปฏิบัติธรรมไหมมันจะมีกําลังใจไหมมันต้องกระเยาต้องปลุกการปลุกสตินี่ปลุกท่านรู้นะจะตื่นเลือกตื่นก็คือตื่นจะเลือกนอ น, อนก็คือหลับจะเวลาไหนก็คือหลับหลับเต็มที่แล้วเช้าสายบไปขําเห็นว่าควรหลับก็คือหลับมันปิดสวิตได้หลังจากหลับเต็มที่แล้วตื่นมันก็สดชื่นแจ่มใสไม่เกี่ยวกับปัญหามีหรือไม่มี ปัญหามีแต่เราผ่องใสปัญหามีแต่ละไม่ทุกข์เนี่ยคือแบบตุกขัดเริ่มต้นกันเราก็จึงต้องมาเรียนรู้นะเจออะไรก็ตามอารมณ์ไหนที่มันสอดแทรกขึ้นมาเราพยายามที่จะเคลื่อนมือ <c oughs> เคลื่อนมือรู้สึกตัวเราพยายามที่จะเดินจงกรมรู้สึกตัวบางทีมีความสงบสอดแทรกเข้ามาบางทีมีความปิดติสอดแทรกเข้ามาบางทีก็มีปิด เน่ยความสุขสอดแทรกเข้ามาบางทีก็มีความรื่นเริงรู้สึกตื่นตาตื่นเนื้อตื่นตัวตื่นใจตื่นกายสอดแทรกเข้ามาเราก็ยังเคลื่อนไหวรู้สึกตัวความง่วงแทรกขึ้นมาความเบื่อความเซงแทรกขึ้นมาเราก็ยังรู้สึกตัวตัวใครตัวเราแล้วนะตอนนี้มันมันให้กันไม่ได้ใครฝึกจะเป็นของคนคนนั้นนะใครรู้สึกตัวก็เป็นการเดินทางแต่ละก้าวแต่ละก้าวแต่ละก้าวใครกําหนด ต้องใครสังเกตใครปรับสมดุลได้ดีคนนั้นก็มีพัฒนาการใครมัวแต่ไปพูดไปคุยไปแลเล่นหรือว่าทำเล่นๆรู้เล่นๆรู้ไม่ถูกไหลสู่ความเสือ่อมดื้อด้านไปเลยลเราต้องเหมือนก็นว่ามีกรอบมีขอ บ, ม, ขอบมีเขยมมีเงินไขก็เลงสักนิดเหมือนเช่นมาที่นี่พยายามไม่คุกกรีพยายามตั้งอกตั้งใจศึกษาปฏิบัติธรรม เพราะว่าพ่อเขก็ไม่ได้สอนแม่ก็ไม่ได้สอนครูตามมีอะไรตามมาหาอะไรก็ไม่ได้สอนผมมาได้ยมอุดมศึกษาจะงจบไหมก็ไม่ได้สอนครั้นี้เรามาวัดที่วัดป่าสุตตอพยามชีน้นำให้นำเสนอให้แนะนำให้แล้วก็ลองน้อมก็มาใส่ตนดูอาจจะไม่ต้องเชื่อก็ได้แต่ว่าให้ยกมือสั่งจังหวัดก็ทำเถอะให้เดินจงกรมก็ทำเถอะ เพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่องค์สมเด็จสัมเจ้าได้ชี้นำเอาไว้เราเชื่อว่าอย่างนั้นนะจ้ากุศนะในเวทไตยปิฎกมันมีอยู่บทสัญญาปั๊บผนะ้าเนีบทแรกเขาเรียกว่าอานาพา น, ะต น, น ส, สติในการดูสติดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้สึกตัวแต่ว่วาที่เรามาฝึกที่วัดป่าสุขโ ต, โตในวันนี้ขนาด น, นี้ก็คือสอนใัญญั๊ผ้า คือการรู้การเดินไปข้างหน้าถอยมาข้างหลังเคลื่อนไหวรู้สึกตัวเนี่ยการหันซ้ายหันขวารู้สึกตัวการที่เราก็พิบตารู้สึกตัวการยกไม้ยกมือคู่เข้าเหยียดออกรู้สึกตัวการจะรัประทานการเคี้ยวการปืนการกินการขับถ่ายปัสสาวะอุจจาระเนี่ยรู้สึกตัวการใส่เสื้อผ้าสังเกตจีวรวันรู้สึกตัวการพูดการนิ่งรู้สึกตัวตรงนี้ เรากำลังฝึกกันในหมดที่เรียก ว, ว่าสัมผัสญาติปะทะตอนตื่นเตือนยันหลับได้เลยมันจะเป็นสาคพลแห่งธรรมขึ้นมาเพราะว่าตอนตื่นือยันหลับเราสามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้ตลอดเวลาจนทั้งเราไม่สามารถอ้างได้ว่าไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมต้องหาเวลาไปไปฏิบัติธรรมเพราะว่าทุกๆขณะเราสามารถปฏิบัติธรรมได้ตลอดเวลาตัวนี้เราบฝึกหัดจนถ้ามันชํานาญเราจะเห็นว่านนี้สอง ของการเคลื่อนไหวกลเคลื่อนไหวใจรู้ทุกครั้งมันจะเกิดความเป็นปกติของจิตใจอันนี้สองที่เกิดขึ้นมาปกติมันไม่ใช่สุขแล้วไม่ใช่ทุกมันอยู่เหนือสุขเหนือทุกความเป็นปกติการรู้อะไรรู้เฉยๆมันอยู่เหนือสุขเหนือทุกถ้ารู้แล้วไม่เฉยรู้แล้วชอบเมันก็เป็นสุขรู้แล้วไม่ชอบมันเป็นทุกอย่างเงี้ยพอมันรู้แล้วปกติมันก็ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกเราเข้าถึงระดัะของ ตัวปฏิบัติจริงๆตั้งแต่วินาทีแรกที่เราฝึกการปฏิบัติแล้วมันก็ถูกบ้างเป็นสมถะบ้างมันก็ถูกแบบสมถะเป็นวิปัสสนาบ้างมันก็ถูกแบบวิปัสสนามันก็มีอ น, นิสงส์มีผลเหมือนกันคือสมถะคือออกมาจากความคิดวิปัสสนาคือออกจากความคิดแล้วก็เห็นความคิดเป็นพระธรการของมันมีหัวก็ต้องมีก้อยอนะตัวนี้เราจะเป็นประสบการณ์ในหนึ่งวันสองวันสามวันสี่วัน หนึ่งวันสองวันสามวันอาจจะต้องปรับเนื้อปรับตัวเช่นมารุ่นนี้อยู่ๆฝนตกก็จะต้องปรับตัวเดินก็ต้องระวังแนมะ่ถ้าเดินไม่ระวังเนืลื่นไหลท้องต้องมีสติต้องปรับตัวเข้าตึงอิสรลาปกติว่ า, าอย่างที่เราอยู่กันเมคืนนั่นแหละเสื่อมื้นหมอนไปนอนกับเพื่อนคือไฟก็ไม่รู้ปกติเคยนอนจะสามีนอนจับลูกนอนคนเดียวมานอนกันหลายคนก็ต้องปรับ ตื่นมาทำบัดส่ ว, น, วนตอนเช้าปกติก็ยังไม่ตื่นก็ต้องปรับอาหารเช้าจะเจออะไรเหมือนปกติก็โจ๊กปกติก็ขนมปังกาแฟอวคาตินน้เต้าหู้มาที่นี่จะเจออะไรเช้านี้ก็นมือนกก็ต้องปรับแล้วก็รูปแบบปฏิบัติบางคนก็เคยปฏิบัติมาเมื่อวันที่ถามคือหยุดนอพองนอ ยกย่างเหยียบหนอก็เคยฝึกกันมาอย่างนั้นดยลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็มีกลุ่มเปนส่วนหนึ่งที่เคยไปฏิบัตแบิแนวหลวงบุธทธียนไรตอนนั้นก็ต้องกลับกันเข้าสู่รูปแบบการปฏิบัติทำบาัดสวดมนต์ล่วงภาษาบางทีภาษาที่ใช้เป็นภาษาที่เราไม่เคยคุ้นไม่เข้าใจภาษาบาลีาทําวัดสวดมนต์แต่ที่นี่โชคดีว่า ส่วนมันแปลเป็นไทยแต่แปลเป็นไทยแล้วบางทีเราก็ยังไม่รู้ความหมายเหมือนกันสังขารคือร่างกายจิตใจแปรรูปความนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมาปังแล้วมันงงๆอะไรกันรูปนามธรรมเราไม่เข้าใจอ่ะตัวเนี้จะค่อยๆอยู่หนึ่งวัน2องวันสามวันเยอะ่วยปรับเมื่อปรับตัวเข้ากับอาการสิ่งแวดล้อมต่างๆเช่นความเย็นความร้อนแต่วันนี้สังเกตได้มีการร้อนอ้าวๆเกิดขึ้น เมื่อวานนี้หนาวเย็นประมาณสิบเจ็ดสิบหกองศาแต่วันนี้ร้อนอ้าวขึ้นมาประมาณยี่สิบสององศามันก็จะเป็นป่วยได้เป็นไข้ไม่สบายเจ็บเนื้อเจ็บตัวเจ็บคอไอเราต้องปรับสมดุลทั้งหมดเลยเราก็จึงมาลักษณะที่ว่าเอาประสบการณ์กันครั้งหนึ่งเป็นลองรอยของชีวิตเราที่มาวัดป่าสู่ต่อแล้วได้พึกสติปัฏฐาน เริ่มต้นวิจาเหมือนก็ว่าเดินก้าวแรกให้มันคงซะก่อนแล้วเดี๋ยวก้าวที่สองก้าวที่สาก้าวที่สี่กที่ห้เรืมันถึงจุดหมายปลายทางจุดหมายปลายทางของการมาสู่วิมุติขุดค้นไม่มีทางอื่นนะไม่ได้เป้าหมายอื่นขุดค้นจากอำนาจของความคิดจึงเคยครอบนำมีอิทธิพลกับเราจนทางวันที่สิบกันยายนประกาศออกมาอิทธิพลของความคิดเนี่ย จะไปคนทั้งโลกประมาณ7 00ดันล้านคนหลายคนฆ่าตัวตายหลายคนทําตามความคิดเดเราถ้าเหมือนว่าเป็นโรคจิตโรคประสาทให้ช่วยกันลดระลงทีแล้วันที่13กันยายโยนหลวงปู่เทียนก็บอกว่าให้ออกมาจากความคิดนะออกไปจากความคิดกันแล้วเราจะได้เหมือนก็ว่ามีสลับภาพทางจิตวิ ญ, ญญาณเมื่อออกไปจากความคิดเราจะรู้จักความคิด มันก็เราออกมาจากหน้าที่การงานของเราไมื่ว่าเหมือนเรากําลังดูมวยเราจะเห็นผู้ต่อสู้เขาจกันบนเวทีมันก็เราออกจากโลกไม่เกี่ยวข้องเดิเรือนแล้วนะหยกออกจากเรือนไม่เกี่ยวข้องเดินเรืแล้วมาอยู่วัดอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองย้อนกลับไปดูเราจะเห็นรายละเอียดชัดเจนที่เราอยู่แบบโลกโลกแล้วเราใช้ชีวิตมาแบบเหมือนกับ หมุ่นเหมือนก็อยู่กับฟื่นแล้วก็โดนฟื้นซัดอยู่ตลอดเวลาพอเรามาปฏิบัติธรรมอยู่ว่าเราย้อนกลับไปดูร่องรอยของชีวิตเรามันจะเห็นของจริงและเราก็ย่อยเหมือนกับปรับเปลี่ยนขวัญคาแก้ไขบรรเทาชีวิตของเราก็จะเหมือนกับว่ามีจุดเริ่มต้นใหม่ประสบการณ์เก่าๆก็จึงเป็นเรื่องประสบการณ์ที่มันเป็นครูบอกผิดบอกครูให้กับเรา วันนี้เราเริ่มเหมือนกัว่ามีความรู้สึกตัวมีสติแล้วก็ขอให้ออกมาเห็นในรายละเอียดของรูปธรรมนามธรรมของขันธ์ห้าของความคิดความคิดเราก็เรียกว่าจิตตับสังขารการปรุงแต่งทางจิตมันปรุงแต่งปูสวยผูรวยปูเก่งผูดีผูไม่เก่งปูสู้ก็ไม่ได้จนทําเป็นมาหน้าทิพย์ถีเป็นอคติ เวลาอยู่ก็อยู่วัตถุหนึ่งสองสามบุคคลหนึ่งสองสามใจของเราก็เปลี่ยนแปลงมันเป็นสุขเป็นทุกข์แตสิ่งเดิมนะ่เช่นใส่เสื้อผ้าชุดเดิมบางทีเราก็แหมสวยเชียวแต่พอใส่เข้าไปหนึง่งครั้งสองครั้งสาครั้งเราก็เบื่ออาหารกันพอรับประทานไปคำแรกจานแรกยอร่อยอร่อยพอกินแล้วกินอีกแล้วก็เบื่อมันก็ททำงานเหมือนกันเราก็ชอบ ตอนได้งานครั้งแรกเราก็ดีใจตื่นตัวจะได้เงินใช้ก็ทําไปทําไปทําไปแล้วก็เบื่องานมีสารมีเบื่อสารมีมีลูกเบื่อลูกมีพ่อเบื่อพ่อพี่แม่เบื่อแม่มีบ้านเบื่อบ้านมีหลายสิ่งหลายอย่างแล้วมีตัวเองเบื่อตัวเองหลายคนจึงฆ่าตัวตายนะเพราะนั้นมันมีทางออกก็คือออกที่ความรู้สึกตัวใจมีสติร่างกาย เมื่อเรารู้สึกตัวเดี๋ยวจะมีอาจารต่างๆมีธรรมชาติต่างๆออกมาสอนเราฝ่ายดีก็สอนเราฝ่ายผู้สนฝ่ายฉลาดฝ่ายบุญฝ่ายไม่ดีก็สอนเราฝ่ายอกุศลฝ่ายบาปฝ่ายมืดฝ่ายง้อฝ่ายงงูเนี่ยมันจะออกมาสอนเราทั้งหมดนะเราก็รู้แล้วรู้อีกรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวตัวนะี้สำหรับผู้ที่ใส่ใจแล้วก็ให้เวลากับตัวเองเนะี่ย มก็จะเดินผ่านได้ไว้มากพ๊อบแทบพอบแทบป๊อบแทบมั่วกบผ่านความม่วเบื่อก็ผ่านความเบื่อปุ้งกับผ่านความฟุ้งเ e ื t e เมื่อคืนมีคนถามมีนักปิบัตธรรมที่เขามาก่อนสามวันจากภูเก็ตก่อนลงบันไดไปนก็ถามว่าอาจารย์ครับปฏิบัติแล้วมันฟุ้งเนี่ยจะทำไงต่อไปล่ะมันคิดมากผมจะต้องมาทำใจให้สงบก่อนไหม ผมเลืาอมาก็เลย่อกว่าเวลาเราทอดไข่เจียวเนะยแล้วมีเซลแมนเข้ามาขายของนะเราจะวางกระทะทอดไข่แล้วหลบเข้าไปในบ้านก่อนหในห้องก่อนหมแล้วเดี๋ยวค่อยออกมานีจากเซลแมนดีจากกระทะก่อนแล้วก็เห็นภาพกันทุกคนน ะ, นะว่าถ้าทอดไข่เจียวต่อไปถึงมันสุกเราปิดแก๊สใชเดี๋ยวเซลแมนก็ไปเองนะ ถารามยุ่งของเขาไม่ทำไปสนใจใส่ใจแล้วอันนี้ฉันใดก็ดีความฟุ้งซ่านขณะปฏิบัติ้นเราก็จะเกี่ยวข้องในการเหมือนกับว่าเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราถ้าเป็นนิวรธรรมทวนดังนั้นภาษาธรรมะเขาเรียกว่าอุทานจางกุกจัดฟุ้งซ่านลำคานใจคลิกแบบไก่เขียวกุกจัดกุกกุกกุกกุกอะไนี้เมื่อเข้ามาเราก็รู้สึกตัวของเราต่อไปคนละเรื่องกัน ประเดี๋ยวเข้ามาแล้วก็ไปตามกฎของปาร์ตละสะแสดงออกมาสามารถทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนมันก็จะเกิดปัญญาแบบนีกขึ้นเลยนะเป็นทุกคนถ้าเราเหมือนกจะสนใจสังเกตมันก็จะสามารถแยกปรับจัยปัจจใยเข้าสู่สมดุลแล้วก็เข้าร่องเข้าช่องเข้าทางเป็นมรรคเป็นผลก็เรียก ว, ว่ามีความเป็นปกติเพราะนั้นทุกๆอารมณ์มันมาไม่ให้เราปกติ เราก็รู้สึกตัวไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็เข้าสู่สภาวะปกติจนได้ฝนตกได้ก็หยุดตกได้หยุดตกได้เดี๋ยวมก็ตกได้หนาวมันก็มีร้อนอย่างนีร้อนก็มีหนาวมันก็เปลี่ยนไฟเปลี่ยนไม้แต่เดี๋ยวมันก็ฟุ้งเดี๋ยวมันก็ไม่ฟุ้งเดี๋ยวมันก็สงบเพราะฉะนั้นมันสงบแล้วก็รู้มันฟุ้งแล้วก็รู้มันปวดเมื่อยแล้วก็รู้มันม่วงแล้วก็รู้เรากระทบสัมผัสรู้สึกมันก็รู้เมื่อใดก็ตามมันมีตัวรู้มากมาก สติมันมากขึ้นมากขึ้นกับทุกๆกิจกรรมทั้งในรูปแบบทั้งนอกรูปแบบนี้มันเป็นจิตนาการที่มันพาไปเองตามกฎของกรรมฐานก็เราหานั้นเป็นอาชีพหลักเราก็ได้อาชีพรองงานในเหล็กสารพัดรอบๆตัวมก็เป็นกำเนิดทองได้มันจะมากมันจะน้อยก็เรื่องของมันนั่นหมายถึงว่าอาหามันเป็นแล้วเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยปฏิบัติทําให้มันเป็นสนใจใส่ใจปฏิบัติทําให้มันเป็นก่อนพอมันเป็นแล้วมันเป็นเลย มันไม่ได้เกี่ยวกับอยู่เหตุปัจจัยแบบไหนแล้วมันจะเหมือนกับว่าทามั่งจะพาไปตัวสติตัวรู้เนี่ยจะพาไปแต่ว่าก่อนที่จะมีสติมีตัวรู้เต้องรู้สึกตัวให้เป็นซะก่อนรู้สึกกายให้เป็นสะก่อนรู้สึกตารู้สึกหูรู้สึกจมูกรู้สึกลิ้นรู้สึกว่าคิดนตามยาไปหาละเอยียดตามขั้นตอนของเขาเพราะฉะนั้นเราจึงมาเป็นการยันมิตรกัน เ, เพื่อนซึ่งกันและกันมาเรียนรู้วิชาเดียวกันคือวิชากรรมฐานที่องค์สมเด็จสัมมาฯเจ้าได้ชีน้นำมาไว้หลวงปู่เจี๊ยบได้ชี้นำมาไว้หลวงพ่อเจี๊ยบได้ชี้นำมาไว้แล้วเราก็มาแบ่งปันกันรู้แล้วบอกต่อรู้แล้วบอกต่อเราก็พากันทำํำจะจึงไม่ต้องเสียเวลาทําอะไรทั้งหมดเรื่องอาหารมีคนเตรียมไม่ให้เรื่องที่อยู่ที่อาศัยน้ำท่าไฟมีคนเตรียมไม่ให้เรื่องทํ่เราก็คือเพื่อนไหวรู้สึกตัวนะี่ตรงนั้น เราจะได้ประโยชน์สูงสุดของการมาในคราวครั้งนี้ชีวิตเราจะได้เกิดคุณค่าจนกระทเัเหมือนกับว่าใช้ชีวิตได้เกิดคุณค่าใช้กายใช้วาจาได้เกิดคุณค่าก็ไปทําหน้าที่เป็นประโยชน์ตอประโยชน์ท่านสร้างตอนที่สุดสนรพภาพให้กโลกนี้ต่อไปให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปให้โลกมันหน้าอยู่ในการคิดพูดทําให้เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นอันนี้วนะเอาละก็ขอให้พวกเราทุกคนที่ตั้งอกตั้งใจมาในคราวครั้งนี้ ปฏิบัติธรรมเนกระทั่งเหมือนกับว่าฝึกสติรู้สึกตัวสัมผัสธรรมทิมปรากฏ ต, ตามสมควรแก่การปฏบัติจนกทั่งความทุกข์ลดลงตามกําลังของสติของปัญญาจนากทั่งถึงจุดหมายปลายทางก็คือธรรมที่สุดแห่งกองทุกข์ได้ในปัจจุบันที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกเนี้ยโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกโลกทุกนามเธอ